มงคลชีวิตมงคลที่ยี่สิบห้าความกตัญญูกตัญญุตาเอตามังคลมุตตมังความเป็นคนกตัญญู ความเป็นผู้รู้คุณท่านชื่อว่ากตัญนยุตาความเป็นคนกตัานยุกตะเวทีชื่อว่ากตัานยุกตะเวทิตาความรู้คุณท่านชื่อว่ากตัานยุการตอบแทนหรือสนองคุณท่านชื่อว่ากตะเวทีผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทนจึงชื่อว่า กตันยูกะตะเวทีขอบเขตของความกตันยูกะตะเวที 1. กตันยูกะตะเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว 2. กตันยูกะตะเวทีต่อบุคคลผู้ได้บำเพ็ญประโยชน์หรือมีคุณความดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม เช่นการที่พระเจ้าประเสริที่โกศลทรงแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าโดยฐานที่ทรงประกาศธรรมยังหมู่ชนให้ตั้งอยู่ในกุศลและการมอันดีงามทั้งหลายบุคคลและสิ่งที่ควรกรตัญญูกตะเวที 1. ผู้ที่ทำอุปการะคุณกับตน ไม่ว่ามากหรือน้อยเพราะจัดเป็นบุพการีสบุญทั้งหลายก็เป็นบุพการีเพราะมีอุปการะมากป้องกันทุกข์ต่างๆได้มีทุกข์จากการทำบาปเป็นต้น3 ส, สถานที่ทั้งหลายที่มีอุปการะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งหรือที่นอนแม้แต่ร่มไม้ก็มีอุปการะ คนกตัญญูหาได้ยากเพราะส่วนมากคนมักสนใจแต่เรื่องความสุขสบายของตนเองจนละเลยผู้มีอุปการะว่าจะมีสุขทุกอย่างไรความกตัญญูจัดเป็นมงคลเพราะ 1. เป็นธรรมของคนดี 2. ทำให้ประสบกับยศและคำสรรเสริญมากมาย 3. ม, มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าหลังตายจากมนุษย์แล้ว 4. ไม่เกิดความเดือดร้อนใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณผู้มีอุปการะ